การตัดสรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีธรรมสามคัคคีเมื่อมองดูที่มัคซึ่งมีองค์มัคทุกข้ออยู่ครบก็มองเห็นธรรมสามคัคคีหรือองค์รวมพร้อมทั้งเห็นองค์รวมทั้งหมดพร้อมไปด้วยกันก็ง่ายที่จะไม่ลืมระบบถึงแม้ขณะนี้อยู่ที่ศีลก็ไม่ลืมองค์รวมอื่นแม้ในชุดกุศลกรรมบทซึ่งพูดได้ว่าเป็นการขยายมัคออกไปโดยจัดองค์มัค ทำนองประยุกเข้าให้เหมาะในระดับสำหรับคนทั่วไปหรือสำหรับบรรดา ม, มนุษยชนดังที่เคยบอกแล้วว่าท่านถือว่ากุศลกรรมบทสิบนี้เป็นมนุษยธรรมก็เห็นได้ไม่ยากว่าศีลในกรรมบทนั้นมากับจิตใจและปัญญาคือสมาธิและปัญญาด้วยคือมีองค์มรรคมรครบทั้งสามด้านเจข้อแรกเป็นศีลข้อ8ข้อ9เป็นจิตเป็นสมาธิ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 พระอาารัอ์ 2. สตรีถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไรสตรีเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาตและจากสุราเมรยัยและของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 3. ส, สตรีถึงพร้อมด้วยจ่าคะอย่างไรสตรีอยู่ครองเรือนโดยมีใจปราศจากมนทินคือความตระณีต มีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่มีมือที่แบคือพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการเจื อ, อาจานแบ่งปัน 4. สตรีถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างไรสตรีเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยอริยปัญญาที่ยังถึงอุทัยและอัศดงจำแรกเรื่องได้ให้ถึงความสิ้นทุก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 ศรัทธาศีลห้าบวกสุตะจาระและปัญญาแล้วจากความพร้อมของธรรมสามัคคีระดับนี้อริยมรรคก็เหมือนเปิดกว้างรับให้ก้าวหน้าพัฒนาอย่างดีต่อไป